และทรงให้ไพร่พลมาทำลายกองทัพของอับราฮัมอัลอาชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะงอยปากท้องมันแต่ถ้ว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายสิจงกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมุฮัมมัด อิบヌอับดุลลอฮ์คือในปีคิทศักราชที่570และนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางปรัิศาสครั้งยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความศัจจิแห่งการเป็นนบีของท่าน ดยพระนามของ Allah ผู ana ana light, all ้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้พิบาลของเจ้าได้กระทากับพวกเจ้าของช้างอย่างไร พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือและได้ส่งส่งนกเป็นฝูงๆลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาได้หินที่ทำได้ดึงแข็งและพระองค์ทรงทำให้พวกเขา เป็นด่างเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน